เข้าสู่นิพพานเนี่ยพระสาวกบางท่านก็ได้อ้อนวอนว่าขอให้พระองค์ได้ตั้งพระเฮระผู้ใหญ่เป็นผู้ทธ่เจ้าทําหน้าที่พูทธ่เจ้าแทนท่านก็บอกว่าธรรมและวินัยที่ท่านสอนมาสีหปีนั่นแหละจะเป็นพู้ทีเจ้าเป็นศาสดาแทนท่านเราก็ถือเอาความหมายตรงนั้นว่าพู้ทีเจ้า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 มีคุยเช่ขึ้นมาใช่ไหมว่าพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นลูกธรรมหรือนามธรรมก็ต้องเป็นนามธรรมาใช่ไหมเป็นสมมุติหรือเป็นปรมัตดก็ต้องเป็นปรมัดอ่านั้นหมายความว่าพระธรรมวินัยคืออะไรนี่พระธรรมวินัยคืออะไรนี่สาคัญพระธรรมคือตัวปัญญาอ่านลัดมาใกล้ๆนี่คือตัว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 เราก็ไม่กลัวเพราะเรายังกลัวได้อยู่นั่นแสดง ว, ว่าเราไม่อายชั่วกลัวบาปแล้วก็ผิดศีลปรารมัดเลยใช่หมนานนานนานนี่เห็นไหมนี่คือตัวศีลปรารมัดถ้าหากว่าเราผิดศีลปรารมัดศีลภายนอกผิดได้ไหมผิดศีลภายนอกเมื่อผิดศีลภายในคือศีลใจแล้วเนี่ยเราไม่อายชั่วไม่กลัวาบาปบาปนั้นก็แสดงออกมาทา ง, ทางกีง่ทางสองทางใช่ไหมทางกาย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 หลวงพ่อก็มาแยกว่าคําว่าวินัยเนี่ยหมายถึงตัวสติมีสติท่านบอกว่าพระอริยะเจ้ามีสติเป็นวินยัยอ่าและอริยะวินยัยท่านเรียก ว, ว่าอาริยกันตสินนะสังเคปสาโทยัสสปสังเคปสาโทยสติอุชูเพจผู้ตัญญาทัศนังอ่าเพราะนั้นเมื่อเราเห็นตัว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 แต่ทีนี้พุท ธ, ธเนี่ยเราจะต้องสามารถแก้ปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไปแก้ปัญหาในขั้นที่1ิบเลยเนี่ยตัวพุท ธ, ธยังมีน้อยมากทีนี้เราจะเริ่มแก้ปัญหาขึ้นมาขั้นที่9ขั้นที่8ดขั้นที่7็ตัวองค์พุท ธ, ธจนโอพุท ธ, ธใหญ่ที่สุดมาถึงขั้นที่หนึ่งปัญหาเกิดปับแก้ทิ้ปุ๊บเลยนี่หมายความพุท ธ, ธสมบูรณ์ ล, ละจนกระทั่งว่า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 ออคิดเรื่องนี้ให้ดีนะซ้ากันใครว่าซ้มกันหลวงสุพรลเราจัดรละเบียบจิตที่มันคิดไปแล้วกับจัดรละเบียบที่ยังไม่ทันคิดเนี่ยไหนง่ายกว่ากัน <c oughs> ต้องคิดนะเพราะนั้นข้ อ, น, อ น, นี้เป็นข้อที่ต้องวิจัยกันถึงลากถึงแก่นเลยนะถ้ากามานั่ง ทำมาเดิมเดิมนี่ไม่ก้าวหน้าแล้วจะต้องมาพิจารณาคุณเบยังไม่แจ้งนะว่าจะเอายังไงจัดการกระจิตที่มันคิดไปแล้วก็จัดการที่จิตที่ไม่ทันคิดเนี่ยไหนมันง่ายกว่าคิดไปให้กว่าหรือไปเก็บน้ําที่มันหกคว่ำไปแล้วเนี่ยกับรักษาน้ําที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไหนง่ายกว่าเอาชัดๆกันอย่างนี้เลยถ้าตอบไม่ได้นี่หมดปัญญาแล้วมันก็อยู่อย่างเดล้ว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 ก็ตามนั้นช่วงเย็นก็เช่นเดียวกันช่วงเย็นนี้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มหกโมงถึงเจ็ดโมงหรือ7จ็ดมงถึงแปดโมงเจดโมงนี่ก็จะอย่างตะวันครึ่งฟ้าอยู่เนาะเอาเริ่มตั้งทุ่มถึงเนาะทุ่มถึงสองทุ่มมาสวดมนต์ตั้งแต่ทุ่มถึงสองทุ่ม